เมื่อวานหลวงพ่อไปกราบครวะหลวงพ่อทุยวัดดงสีชมพูแล้วก็เอาพระนว ก, กะไปด้วยเพื่อเป็นทัศนศึกษาบางองค์ก็ยังไม่เคยเห็นไปที่วัดหลวงพ่อทุยเมื่อวานนี้ท่านพระอาจารย์สุธรรมท่านจันบุตรมีท่านศักด์นาแครนัดกันไปสามสีหวัดก็เอาลำใยไปถวายท่านด้วยวัดของเรากำลัง กำลังดังเรื่องเรื่องนลำไยเดี๋ยวนี้แจกไม่อั้นเลยงั้นเนี่ยพี่น้องลูกหลานศรัทธาญาติโยมโรงรําโรงเรียนโรงพยาบาลใครใครมาแล้วก็ให้ไปแต่พอหาหาคนเก็บยากเท่านั้นแหะหาคนเก็บยากแต่เรื่องแจกเนี่ยแจกไม่อั้นว่างั้นะแต่วันนี้ยังบอกว่าน่าจะเอาไปถวายหลวงปู่ลีภูสังโคทำกองเพนด้วยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีใครเก็บ ช, ช่วยกันดูนะเอาไปถวายครูบาอาจารย์พระสงฆ์มันมีขึ้นมาแล้ววัตถุดิบเรามีแล้วเราก็ควรจะทําบุญครูบาอาจารย์วัดของเรามีอยู่มีฉันวัดอื่นท่านครูบาทั้งหลายอาจจะต้องการฉัน ห, หมากผลไม้มั่งทําบุญไปเรื่อยแต่บ้านตากเอกไปแล้วล่ะบ้านตากออกไปทั้งสามสิบกว่าลังพอไปเห็นโอ้โหเมินเทนทึกเหมือนนั้นจากนั้นก็ถวายวัดต่างๆในช่วงนั้น แล้วก็แถบเราแล้วก็ถวายหมดแล้วผู้ก้อนบ้านเพิ่มวัดเล็กวัดน้อยเวลาพระมาครวะเร า, าก็เอาให้วัดละถุงละถุงละถุงอีกอำเภอบ้านผือน้ำโสมเรามีแล้วก็เฉลือเจือจานไปเฉลือเผือแพ่ไปให้มันเกิดประโยชน์สรุปแล้วให้มันเป็นบุญเป็นกุศลแต่ว่าขนักหนาหน่อยสําหรับคนเก็บท่านนน่ะอพวกที่เก็บต้องใจดีต้องใจเย็นท่านน่ะอย่าไปคิดใจร้อนนะใจร้อนนะ่ะบุญมันวิ่งหนีหมด ถ้าใครใจร้อนบุญนนท์วิ่งหนีปลาก็อยู่ไม่ได้กบเขียดก็อยู่ไม่ได้มันร้อนเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเย็นเย็นต้องจำทาใจให้เย็นเราเราไม่ใช่เก็บทุกวีทุกวันไม่ใช่เก็บทั้งปีทั้งเดือนไม่กี่วันมันก็จบละแล้วลก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลใครได้อยู่ได้ฉันก็นได้บุญกับผู้นั้นเมื่อท่านฉันไปแล้วท่านเนีภาวนาถ้าท่านได้สําเร็จมรรคสําเร็จผลอเรายิ่งได้บุญมากเพาะงั้นะ เราต้องคิดอย่างงั้นเวลาทําบุญนะอย่าไปคิดชั้นชั้นแต่คิดสั้นแล้วไม่ได้ล่ะคิดเห็นแก่ตัวเราไม่ได้ไม่ได้บุญวัางั้นแะเมื่อวานี่ไปถวายหลวงพ่อทุยก็หลายถุงอยู่เหมือนกันแล้วก็ฝากการสุธรรมเลยท่านบุญมีด้วยท่านบุญมีก็มีพระมากเลยให้ท่านมากหน่อยท่านสักให้สองถุงองค์เดียวสองถุงก็เหลือเฟือดเด้อเราแจกตามตามพระนะเราไม่ได้แจกตามวัดนะ ถ้าวัดไหนมีพระมากเราก็ให้มากวัดไหนมีพระน้อยเราก็ให้น้อยตามแต่ตามไม่จริงวัดน้อยมันต้องได้เปรียบ ก, กว่าวัดมากอีกแล้วถ้าว่าอย่างวัดของเราสามสิบเก้ารูปนี่ใช่หมสามสิบเก้ารูปเนี่ยเราให้รูปละสององค์อย่างท่านสักเนีจะเป็นเท่าไหร่ไปงั้นเถอะทั้งเจ็ดสิบกว่าเนี่ยนะเจ็ดสิบแปดสิบถุงนะั่นนี่บัลลังกเถอะเอกเลยไปงั้นอะอันนี้เขามาให้อย่างมากอ่ะสี่ห้าถุงเนทะ่าน่ะ ถ้าจะสิทธิเรียกใส่กันแล้วกันเสียเปรียบผู้ที่พระน้อยเหมือนกันแะนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเราอยู่หมู่มากเราก็ฉันแบบหมู่มากเลยชันแบบเข้มเขยมแต่บางคู่บางคนก็อย่างที่ว่าจริงๆนะหลวงพ่อว่านะนการทําบุญมันไม่ฉลาดเหมือนฝรั่งเขาบางทีมีเป๊ปซี่โคลล้าหรืออะไรของมาเขาถวายตามวัดนะวัดนี้เขาเท่านั้นวัดนั้นก็นั้นเสมอกันหมดถึงจะพระเป็นร้อยก็ ให้อย่างเก่านะั่นแหะพระสององค์เขาก็ให้อย่างเก่าออันนั้นแปลว่าทําบุญแต่เราก็ไม่ว่าหนระว่าศรัทธาของเขาแต่ว่ามันจะไปทางไม่คิดไม่อ่านจะมากกว่าะถ้าว่าคนคิดมันก็ต้องรู้จักอย่างที่หลวงพ่อนะ่ะโอ้ยหลวงพ่อคิดมากก็จะว่าอย่างนั้นอีกละ่ะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็คิดมากจริงๆนั่นแหละมันต้องเฉลี่ยตามวัดต่างๆวัดพระมากกราต้องถวายมากพระวัดน้อยแล้วก็ต้องถวายน้อยไม่ใช่ว่าถวายไปมากก็ทิ้งเกินวัดที่ท่านมาก ท่านก็ไม่พอใจฉันท่านก็อยอู่พวกท่านทั้งอยู่มากเลยจะช่วยยังไงได้ถ้าอย่างนั้นพวกคูบาทั้งหลายก็ควรจะคิดว่าเอ อ, เ, อ, อเราไม่ควรจะกินกับคนโง่นาะเราต้องหากินกับคนฉลาดถ้าคนฉลาดเขาก็ต้องคิดรอบขอบอันนี้ถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเขาไม่รอบขอบเราก็ไม่ควรจะกินกับเขาอีกถ้าก็พราหมูบ้ากก็ต้องทําใจเหมือนกันนะมันต้องมีหลายแนวแง่ความคิดอีกเหมือนกันนะั่นแหละเพราะนั้นในพวกเรานะ่ะ ทำอะไรต้องฉลาดต้องรอบครอบนะแต่ก็วันนี้ก็ทราบข่าวว่าหลวงปู่จามไม่ค่อยสบายหลวงปู่จามลวงอาบ้านห้อยทรายท่านอายุร้อยปีวันที่สิบเก้าพฤษภาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยร้อยปีพอดีแก่กว่าหลวงตาของเราสี่ปีวัดโพธิสมพรเนี่ยเก้าสิบแปดหลวงตาเก้าสิบหกหลวงปู่จามหนึ่งร้อยร้อยกว่าละ เพราะว่าท่านพุทธภาเนี่ท่านร้อยพอดีหลวงปู่จามเกิดปีปีจอหลวงปู่จามเกิดปีจอคือปีหมาปีจอหลวงปู่ล่าเกิดปีกุณหลวงตามหาบัวเกิดปีฉลูปีฉลูขี่วัวอีกปีหนึ่งปีอีกรอบหนึ่งก็เป็นอันว่าหลวงตามหาบัวอ่อนกว่าหลวงปู่จามเีปีจอคุณชวดฉลูนะสปีเป็นน้นว่าหลวงปู่จาม ร้อยปีปีเนี่ยหลวงตามหาบวญเก้าสิบหกทราบข่าวว่าท่านเป็นไข้หวัดนะโดยมากนั่นะพอมีอากาศเปลียปล่ยนแปลงน้อยนึงก็เอาละทาดขันของผู้สูงอายุไม่ค่อยสบายเข้ามาและ่อย่างคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟั ง, ฟงดูก่อนถ้าท่านไม่สบายหลวงพ่อเขาคงจะได้ลงลงไปดูจะดูดูอะไรก็คงยะบม่ไนิ อันนั้นเราก็คงจะไปช่วยช่วยดูกับลูกหลานพี่น้องศรัทธา ญ, ญาติโยมพระเนรนั่นแหละควรจะดูแลองค์ท่านยังไงเมื่อคืนกัฝันหลวงพ่อฝันหลวงพ่อกขาฝันเหมือนกันนะฝันเห็นหลวงตาเหมือนกันนะเมื่อหลวงตาไม่สบา ย, ยเหมือนกันในฝันเมื่อคืนนะี้แล้วก็เรายังได้เข้าไปกราบไปไหว้ท่านอยู่ยังค่อยๆ ค, ย ค, ยคานเข้าไปอืนี่อายุขนาดนี้แล้วก็อย่างว่านะ่ะแต่ท่านก็ไม่ห่วงหาอาทรสําหรับท่านเอง อย่างหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาลก็เหมือนกันโอ้ข่านี่เบื่ออยู่จริงๆอายุแก่ขนาดนี้แล้วมันไม่มีความสุขในธาตุในขันนะ่ะขันก็บ่นอยู่อย่างงั้นนะ่ะให้หลวงปู่อายุยืนยาวเอ้ยชาชาถ้าจะพูดมาให้ข่าอายุยืนต้องทะเลาะกันฮนะหลวงปู่จามนต่ข้าไม่อยากจะอายุยืน่ะมาปูนี่ละแต่จะตายถ้าเป็นงมันไม่ตายหรอถ้าอดอาหารมันก็หิวถ้ากั้นใจก็หายเจ็ฝืด ทำยังไงก็ต้องเลี้ยงไปครอบประคองไปอยู่อย่างนี้แหละแน่น่ะอันนี้ก็คือหลวงปู่จามหงตามหาบัวก็เหมือนกันท่านก็เอา้ามันเป็นไรประคองธาตุขันไปเรื่อยๆจะทำยังไงได้ถึงไหนถึงนั้น่ะแต่ข้าใ น, ในใจนะไม่มีวิตกกังวลอะไรทั้งหมดะกับธาตุกับขันมันอาจจะมีอะไรก็เป็นไปก็เป็นแต่ก็รู้ว่ามันหนักพาราฮเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเป็นพระอันหนัก อันนี้เป็นมันหนักจริงจริงในาธาตุในขันเนี่ยครูบายอาจารย์ที่ท่านได้ประพุทธปฏิบัติธรรมได้ พ, ดพิจารณาถึงการเป็นอยู่ของาธาตุขันร่างกายแล้วก่อท่านไม่พิตกกังวลอะอะไรก็ได้เยแต่ขอพยายามทําดีที่สุดในขณะที่ท่านยั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่ย่าให้ขาดตกบกพร่องแต่เมื่อถึงคราวมันแล้วท่านก่อน จะทำยังไงได้ล่ะไม่ปล่อยไม่ปลอยก็ต้องปล่อยไม่วางก็ต้องวางแต่เจะท่านจะให้เป็นทุกข์กับาธาตุกับขันท่านกับคงจะไม่ล่ะต่างกับพวกเราท่านทางหลายพวกเราท่านทางหลายเนี่<อ>กระเสือกกระสนกระตือลือลน้นอยากจะอยู่ให้นานๆนอยากจะมีชีวิตอยู่ยืนนานแต่จะทำยังไงได้ถึงจะอยากมันก็อยู่ไม่ได้เพราะชีวิตเกิดแก่เจ็บตายแต่ถึงยังไงพวกเราท่านทางหลายในหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่ หลักทําคําสั่งสอนของหลวงพ่อนะอไม่ใช่ทําคําสั่งสอนหลวงพ่ออินนะหลวงพ่อแนะนำทาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวท่า น, นบอกอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนะชีวิตมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็สังสมคุณงามความดีเอาไว้สร้างบา ร, รมีเอาไว้ทําบุญเอาไว้ทําบุญทําบุญอ่ะไม่ใช่ว่าจะควักกับเงินออกมาจากกระเป๋าทําบุญไม่ใช่าการทําบุญมีมากมายนั่งภาวนาพุทโธพุทโธทั้งวีทั้งวันนั่นแหละมหากุศลอันยิ่งใหญ่ รักษากายวาจาให้เรียบร้อยให้กาย อ, อไม่มีโทษกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ก็คือรักษาศีลห้าเนี่ยสำหรับคราวาตญาติโยงรักษาศีลแปดนี่แหละเพียงรักษาศีลเท่านี้แหละเป็นบุญกุศลมหาศาลจากนั้นก็ให้ดํารงทรงตัวอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าให้ออกนอกหลู่นอกทางสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วอย่าไปทําทําเข้าไปแล้วก็เบียดเบียนตนและผู้อื่น แล้วก็ให้เคารพปิดามารดาปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติผู้ใหญ่แล้วก็ให้เคารพในประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่ตายตัวเองจะอยู่นานสักเท่าไหร่เพราะนั้นเพราะเหตุนั่นแหละมีอะไรเกิดขึ้นพอที่จะยืดจุนกันได้ก็ย้วนง้นเถอะล้อนย้ น, ย น, ยนงนเถอะทำอะไรหัวชนฝาหัวชนก้อนหิน น, น่ไม่ยอมฟังใครทั้งหมดมันก็ ดัดเหมืนกันนะพวกอยู่ใกล้พวกที่อยู่ใกล้ถ้าพูดอะไรไม่ยอมฟังใครพวกที่อยู่ใกล้ก็ปล่อยผักหลังส่งไปไปในต่างคนต่างไปอะไรท่นี่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นให้พวกเราต้องอยู่ด้วยเหตุผลการอยู่ด้วยกันต้องอยู่ด้วยเหตุผลมองกันด้วยเหตุผลอย่ามองกันในแง่ร้ายใครทุกคนก็ต้องมีความผิดความถูกด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ก็อย่าให้มันผิดมากจนเกินไปไม่ใช่ว่ามีอะไรก็ ทำตามอำเภอใจทำตามมัทธาใจเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่ยอมฟังใครทั้งหมดอันนี้ของไม่ถูกเหมือนกันนะต้องตรวจตาดูตนเองแต่อยู่ด้วยกันก็ต้องมีความกตันอยู่กตเวทิตารู้จักบุญคุณซึกกันและกันถ้าถามว่าพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีน้าจิตน้าใจต่อกันมันก็ไม่ได้นะอยู่ด้วยกันลำบากแต่ถึงยังไงมันก็อยากไหวอีกเหมือนกันนะ ถ้าเราคิดในชาดกหรือคิดดูในแถวที่เราได้ศึกษาในชาดกพระพุทธเจ้าหรือพระรหัสสาวกถ้าใครเป็นหมู่เป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยเห็นกันถึงจะเป็นสัตว์ต่างประเภทมันก็ยังเป็นมิตรเป็นสหายกันได้แต่ถ้าหาว่าคนที่เป็นศัตรูกันเน่ะพอมองเห็นกันนี่ยมันขวางกันทันทีแล้วงั้นเหมือนกับปลากัดอย่างนั้นนะมันมีแต่ท่าจะกัดกันมีแต่จะหักเล่หักเหลี่ยมกัน แต่ถ้ า, าว่าเป็นสัตว์ก็ดีเป็นคนก็ดีถ้าเคยทำบุญทำทานร่วมกันมาก่อนเคยบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นมาแล้วเท่าไหร่เห็นการถึงจะเป็นสัตว์ต่างประเภทก็ยังเคารพนับถือเชื่อฟังกันวางั้นอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าที่ท่านยกขึ้นพูดที่กรุงสวัสดีท่านเหตุภิกษุทะเลาะกันภิกษุทะเลาะกั น, นครั้งนั้นเขาโจดขานพระอานนท์พระอานนท์ท่านไปที่ กุงสวัสดีท่านก็ไปเทศนาว่าการให้พวกสนมนาลีของพระเจ้าเ ป, ปเสนที่โกศลสนมนาลีเหล่านั้นก็ถวายผ้าท่านห้าร้อยผืนคนละพื้นละพื้นละพื้นห้าร้อยคนท่านได้ผ้ามาแนละ้วท่านก็แจกแบ่งให้พระทนะแจกแบ่งให้พระองค์ไหนที่พระผ้าชํารุดท่านก็ให้องค์องค์นั้นองค์นั้ น, อ ง, น, นองค์นั้นไปแล้วก็องค์ที่ได้ผ้าใหม่มาเนะี่ย ของตัวเองก็ปล่อยให้องค์อื่นไปที่ชำรุดกว่านั้นอีกองค์ที่ผลที่สุดกับองค์ไหนพอจะใช้ได้ใช้ไปถ้าผืนไหนใช้ไม่ได้ถ้าก็เป็นผ้าเช็ดเท้าถ้ามันขาดหลุ่งหลิงเกินไปจะเกินกว่าที่จะปะจะชุนท่านมาขยำขยำเอามีดยายายาย ำ, ย ำ, ยำเสร็จแล้วก็เอาขยำกับดินเหนียวด น, นี้ก็ฉาบกุฏิทีาบฝาผนังเพราะว่า ประเทศอินเดียมันร้อนก็นร้อนมากหนาวก็นหนาวมากโดยมากมันจะหนาวมากกว่าท่านก็ใช้ถ้าดินเหนียวธรรมดามันก็แตกแต่งเอาผ้าเนี่ยเป็นใยของใยของมันว่างั้นอย้ยยยยก็ยำย้ำย้ำแล้วก็เอาขยำกับดินเหนียวแล้วก็เอามาฉาบฝาผนังแปลว่าจบแล้วงั้นสุดในผ้าผืนนั้นท่านนี้พระญาประสิทธที่โกศธท่านก็เอ้ผ้าอานุนจะเอาไปที่เอาไปยังไงผ้าทั้งห้าร้อยผืนเนี่ยวะท่านเอาไปใช้ยังไง เอาไปทิ้งเกลือนเอาไปขายแล้วเอาไปยังไงแตอนนี้พระพระยาปฏเสียงก็เลยเข้ามาสืบถามพระอ น, นุอนพระอนุนก่อนทูลบอกกล่าวพระยาปฏเสินว่าเนี่ยที่อาตมาภาพไรมาผ้าเนี่ยก็เอามาถวายพร ะ, ท, พระที่พระที่ผ้าของท่านชารดมันขาดละองค์ที่พอองค์นี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ผ้าที่องค์เปลี่ยนก็องคไหนที่จะใช้ได้เอาไปใช้ผลที่สุด ผ้าที่องค์สุดท้ายก่อนอย่างที่ว่าทําเป็นผ้าเช็ดเท้าบางทําเป็นขยํากับดินเหนียวชาบกุติพญาประสิทธ์ได้ยินโอท่านทําคุณประโยชน์จริงๆ อ, อท่านไม่ได้ทิ้งได้กว้างหาได้ยากสมณะเป็นผู้สํารวมระวังเป็นผู้ไม่ดูด้วยความไม่ประมาทจริงได้ของมาแล้วใชใ้ให้มีคุณค่าอย่างสุดๆพญาประสิทธิ์เลยกเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างมากจากท่านท่านก็เลยถวายมาอีกห้าร้อยผืนอีก แต่พระอนุนก็เห็นว่าพระจํานวนนั่นก็ได้มากพอสมควรแล้วท่านก็เลยให้ลูกศิษย์ของท่านแตนี่ไอ้พวกลูกศิษย์ของท่านเอาเอาอกไปใช้ๆเก็บเกๆไปนะใช้ๆองค์ไหนขาดเหลือขาดตกดแตนี้พระจํานวนอื่นเนี่ยไม่ได้อย่างพระลูกศิษย์พระอนุ น, นเขาก็ะโจนทนาขึ้นมาว่าพระอนุนเห็นแก่น่าให้แต่ลูกศิษย์ตัวเองตามไม่จริงได้มาก็น่าจะแจกแบ่งให้ทั่วถึงกันอีกพระบางองค์มันกิโลเลยกิโลตรงนี้พระบางองค์ แต่นี่ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสมอง อ, อาโน์เนี่ยเป็นผู้มีความกระตันยูเป็นผู้รู้ขุนคนเป็นผู้ทดทดแทนบุญคุณของคนเพราะนั้นเวลาได้ผ้ามาเนี่ยนะเนี่ยที่แรกท่านก็ให้ทั่วถึงกันพอต่อมามันทั่วถึงกันแล้วท่านก็ให้เฉพาะลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ท่านมันก็ถูกแล้วเนี่ยจะให้ แกไปยังไงอีกที่ท่านทําำในถูกแล้วพระอนนท์เป็นผู้มีความกตัญญูนะแต่ชาติก่อนเขากิมีเป็นอย่างนี้แหละอนนท์เเขาก็เลยพระสงฆ์เลยถามว่าสมัยไหนไปเจ้าค่ะที่พระอานนท์แสดงความกตัญญูพระพุทธเจ้าบอกว่าสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นราชสีอยู่ในถ้ำแต่ทีเราก็ออกมาล่าสัตว์ราชสีออกมาหากินว่างั้นแหละวันข่าวหนึ่งมาไล่พวกไล่พวกเนื้อว่างั้นไล่พวกเนื้อวิ่งอย่างไม่ได้คิดแต่อ่านว่างั้น วิ่งมาก็เลยกระโดดลงไปในหล่มคงจะเป็นหลุมน้ำมั้งเป็นหล่มติดหล่มว่างั้นแต่ราชสีติดหล่มกระโดดจมลงไปลงทั้งสี่ขาแล้ว่างั้นะต่กระโดดไม่ได้เลยเจนีน่ตายขึ้นก็นขึ้นไม่ได้มันจมเกือบครึ่งหลัง่ะดิ่นลงเท่าไหร่ก็ยิ่งลงไปเรื่อยเจนี่มันเป็นสนมลนะ่ะราชสีก็อยู่มัดเลยว่างั้นแต่ทีนี้ก็หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งก็งคงจะเป็นหมาจิ้งจอกใหญ่มั้งเดินผ่านมา พอผ่านมาเห็นราชเสสีมันก็กลัวมันกันนะเวพอเห็นราชเสสีเนี่ยตัวมันจะขมำมันงอย่างแรกเนี่ยราชสีก็เลยขอร้องขึ้นมาเอ้ยหมาจิงจอกช่วยข่าโดยเท่านขาติดลมแล้วหมาจิงจอกเออมองหน้าดูแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นศัตรูแบบนั้นแต่มองสายตาดูแล้วก็เป็นมิตรแน่ว่างั้นแต่มันคงจะไม่ขมำกูมั่งมันก็คงจะคิดอย่างนั้นน่ะหมาจิงจอกพอเห็นกันแล้วก็ถูกสัตตากันแบบนั้นอ่ะสรุปแล้วกันอย่างอย่างที่ว่าน่ะ จะสัตว์เป็นสัตว์ต่างประเภทก็ยังรักกันเพราะเคยเกื้อกูลหนุนกันในจิตในใจมันมันเกื้อกูลหนุนกันลึกๆว่า ง, งั้นหมาจิ้งจอ ก, กเลยเดินวนไปวนมาวนมาวนไปไปเห็นแหล่งน้ํามันอยู่ใกล้ๆมันเห็นแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆหมาจิ้งจอกตอนนั้นก็เลยเอขาขาตะกุยตะกุยตะกุยคล้ายๆว่าทําลางน้ํามา ง, งั้นปล่อยน้ําำที่มันอยู่เหนือกว่าให้มันไหลมา ให้มันไหลมาหาราชสีว่างั้นแต่ออน้ำก็ไหลมาราชสีราจิสีก็ขยับแขยัขยับขาได้เท่านี้แต่ก่อนมันแน่นเอ็ดแล้ว่างมันดินตมเหนียวนะ่ะแต่ตันนี้พอพอน้ําไหลเข้ามาเลยราชสีมันก็ค่อยขยับขยับขึ้นมาพอขยับขึ้นมาได้เท่นี้หมาจริงจอกเห็นเออเราควรจะเอาเอากระตัวไปขวางที่คอของมันให้เอาคอมันเกานะมันจะกระโดดขึ้นได้มัง้งเลยหมาจริงจอกตัว น, นั้นก็เลยกระโดดลงไปเลยก็เอา วขวางที่คอของราชสีราชสีออกคางเกาะกาะแล้วก็เลยกระโดดขึ้นเออก็เลยออกจากหลุมหลุมลึกได้เหมือนนอะ่ะในในชาตินั้นเหมนะพอเจ็ดลุ่มลึกราชสีนั่งเลยไปล้างน้ําไปอาบน้นะําหมือนกราชสีล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยเลยสบัด ต, ตัวแห้งเลยเรื่อมีเก้งไอ้พวกสัตว์มันมาใกล้แถบนะนะั้นอ่ะราชสีไล่มันเก่งอย่าง้รราชสีมันล่าเนื้องหมนะนะันอ่ะจากนั้นมนะือนกั ได้เนื้อมาก็เลยมาแบ่งให้หมาจิ้งจอกกินเนี่ยพอหมาจิ้งจอกกินราชาสีมันก็ก็ข้าไปเพื่อจะให้ไปในธรรมของมันเลี้ยงพ่อแม่ของมันแต่หมาจิ้งจอกมันก็แบ่งมันก็ขาบอีกเหมือนกันอะไปข้าบมันไปให้ไปให้ครอบครัวมันราชาสีเลยถามเอาแกจะขาบเนื้อไปไหนหมาจิ้งจอกก็ตอบว่าขาบเนื้อไปให้ครอบครัวข้าไปเจ้าข้าไปเจ้ า, า, จามีลูกและเมียอยู่อยู่ในนั้นแต่อยู่ใน ป่านั่นเองถ้า ง, งั้นเอาไปอยู่ด้วยกันก็ได้ในชะ่ไหมไปอยู่อยู่ในถ้ำด้วยกันก็ได้หมาจิ้งจอ ก, กราชสีสีตัวนั้นก็เลยเป็นเพื่อนกันแล้วก็ร่าสีสีตัวนั้นก็มีลูกสองตัวหมาตัวนี้ก็มีลูกแต่นี้ในขณะที่หมาจิ้งจอกกับร่าสีสีไปหากินไปล่านเนื้อเนะี่ยเขาก็ให้เมียล่าสีสีกับเมียหมาจิ้งจอกกันก็อยู่ในถ้ำแต่เมียล่าสีสีเนี่อิดช้าได้แต่เนี่ยชิดชา้าอิดช้าหมาจิ้งจอ ก, กว่างั้นเถอะพอเห็น จะเขมรเอางั้นแ่เพรนั้สุดก็เลยหมาจริงจอกตอนนั้นมันอยู่ไม่ได้ทีนี้มันกลัวราชสีตัวเมียเนีเ่ยมันเขมรเอาแต่นี้ราชหมาจริงจอกเลยบอกว่าท่านครับผมคงจะอยู่กับท่านไม่ได้ท่าทําไมอบอกว่าเนี่ยแฟนราชสีเนะ่ยขู่แฟนของผม อ, อย่างงาั้นอย่างงั้นอย่างนั้นธรรมดาผู้มีอํานาจเหนือกว่าก็ต้องขู่ผู้มีไม่มีอํานาจ ผู้มีกําลังเหนือกว่าก็ต้องขู่ผู้มีมีกำลังผู้มีสติปัญญาเหนือกว่าก็ต้องขู่ผู้มีผู้โง่ขงเขาเปราปัญญากว่าอันนี้ก็เข้าข่ายลักษณะอย่างนั้นแหะครับพปกผมคงจะไปอยู่ตามลําพังนะ่าจะซีอโอไม่ได้ไม่ได้ฟังก่อนหยุดก่อนจากนั้นราชสีห์ก็เลยไปอบรมลูกและแม่บ้านบอกนี่นะหมาจิงจอกตัวเนี้ยที่ข่าไม่ตายเพรเพราะหมาจิงจอกตัวนี้เป็นผู้มีบุญคุณสําหรับข่า ข้าตกล่นมาแล้วหมาจิงจอกตัวนี้ได้ช่วยข้าข้าจึงได้หลุดพ้นมาเพราะนั้นข้าจึงน้ำลึกถึงบุญคุณของหมาจิงจอกตัวนี้หมาจิงจอกตัวนี้เป็นผู้มีบุญคุณสำหรับข้าสุเจ้าไม่รู้ว่าข้าทำทำไมจึงทำอย่างนี้แต่ที่แท้จริงนะ่ยคือหมาจิงจอกนี่มีบุญคุณสำหรับหรับเราเราจรึงได้ทดแทนบุญคุณเขาแหมก็เลยเล่าเรื่องความเป็นมาให้ครอบครัวฟังครอบครัวเหล่านั้นก็เข้าใจฮะลูก อและเมียก็เข้าใจจากนั้นหมาจิงจอกกับราชสีห์สองครอบครัวนี่ก็เลยอยู่ด้วยกันยาวนานถึงเจ็ดชั่วโคตรว่างั้นนะเจ็ดชั่วราชสีห์เจ็ดชั่วหมาจิงจอกว่างั้นนะนี่หลย น, ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีพระคุณต่อกันเคยสร้างบุญบา ร, รมีเคยสั่งสมบุญมาด้วยกันเห็นกันมันชะตามันเข้ากันเอเมตตาอารีกัน และก็พร้อมกันกับม้าจริงจอกตัวนี้ได้ช่วยเหลือเราอในชาติ น, นั้นนี่แหละมาชาตินี้แหละราชสีก็คือเรานี่แหละม้าจริงจอกก็คือพระอานน์ไปนในชาตินั้นพระอานุ์เป็นม้าจริงจอกเราเป็นราชสีนี่แหละอนุนเนี่เคยช่วยเหลือเรามาตลอดท่านได้เจอได้เห็นกันแล้วก็มีแต่ความรักกันมีแต่ความเมตตาต่อกันนี่แหละสรุปแล้วก็คืออันเป็นอันว่า คนที่เคยสั่งสมบัลมีกันคนที่เคยเป็นมิตรเป็นสหายกันคนที่เคยเกื้อกูลหนุนกันคนที่เคยปรารถนาในกลุ่มเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระ อ, อ น, นุนจะเป็นจะเป็นพุทธอุปทา่ยาโมกคลาสาลิบทด้วยมากก็ไปเกิดเป็นกลุ่มเดียวกันนะถ้าเรารู้ในชาดกนะอันนี้ก็คือท่านกล่าวในพระไตรปิฎกเอาไว้นะอันนี้เราก็ฟังเอาไว้เหมือนกัน เราฟังเอาไว้แต่เรามาเปรียบเทียบกับยุคที่เราเจอเราพบเราเห็นนะแต่บางคนพอเราเจอเราพบเราเห็นมันมันจะตาไม่เข้ากันและมันขวางตาอย่างนี้ก็มีแต่คนอย่างนั้นถ้าอยู่ด้วยกันนานนั้ไม่ได้เรากันไ่ะสงสัยว่คงจะเคยเป็นอรุควัรอริศัตรูมา ก, ก่อนแต่ถึงยังไงเราก็ต้องห้ามใจเอาไว้เหมือนกันน่ะเพราะเราเขายังไม่ได้ทําอะไรให้แก่เราเราจะไปโกรธอะไรให้แก่เขาเนี่ยแต่ตามมัธยีมือนคงจะติดภพติดชาติว่างั้นแหะ แต่บางคนก็เห็นกันแล้วก็เมตตาอารีชะตาถูกกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นวงสาคานายาติอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้เนี่ย่หละนี่แหละพวกเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาในะชาติเดียวสรุปแล้วเกิดมาหลายภพหลายชาติเพราะนั้นอย่าได้เปียดเบียนซึ่งกันละกันบางทีคนที่มาใกล้ของเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในชาติก่อนก็มีแต่ชาติก่อนก็รักกันมากแต่พอมาชาตินี้แล้วก็เขาเป็นหมา เราเขาเป็นไก่เป็นหมูเป็นหมาเราก็ไปกินเขาซะเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้เนเพราะฉนั้นท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนสัตว์วิญญาณทุกวิญญาณอาจจะมีสูงมีต่ํามีลุ่มรุ่มรอนรอนบางคนอยู่ด้วยกันพอสามีตายไปเป็นห่วงครอบครัวไปไหนไม่ได้รักครอบครัวผลที่ถูก็มาเกิดในบ้านของตัวเองเพราะไปไหนไม่ได้มาเกิดเป็นหมาเนี่ยเพราะเกิดเป็นหมาแลยครับเห็น แฟนตัวเองเป็นมนุษย์ตัวเองก็เป็นหมาเกิดขึ้นมากำลังยังรักอยู่เพราะจิตใจห่วงห่วงห่วงอะ่ะแต่คนไม่รู้ล่ะไอ้คนทำไม่รู้ว่ามันเป็นใครเหงนั้นอ่ะมันเป็นหมาเนี่ยผลที่สุดก็เลยไปที่ไหนก็ไปด้วยไปที่ไหนก็ไปด้วยลาคาลและเกินหมาตัวนี้กันผลที่สุดก็เลยวันเนียวก็เลยถ้าไม่ฆ่าเสร็จแ้วมันไม่จบตกหมาตัวนี้ผลที่สุดก็เลยถือกระป๋องไปกระป๋องน้ําไปใส่ตักขี้ใส่เท่ากันเรียกหมามา หมาก็โอทําไมเจ้านายใจดีและเกิดวันนี้ตะโกนไม่เคยเรียกเลยอย่างนั athers, out, the water. The water. ้นอ่ะใช่แต่แทบเป็นอดีตสามีเก่าเหมือนกันผลไม่สวยก็เอาเชือกผูกคอหมารช่แล้วก็เดินจุ๋มจุ๋มจุ๋มลงไปในน้าลึกๆแต่ปล่อยกระป๋องลงไปเอาเชือกผูกเชือกสั้นๆนั่ใช่ไหมกระป๋องมันกันหนักอยู่แล้วกระป๋องทรายกระป๋องหินน่ยวางลงไปหมาก็ผูกคอหมาจุ๋มลงไปในน้ําำหมาก็ตายอยู่ในน้ําอมือนนะว่างั้นนี่แหละนี่แหละอันนี้ก็คือ พอมานี่กินี่แหละนางนั่นก็ได้ใช้ ก, ก, กนนะนะ ล, ล, กล้ำอีกเหมือนกันนั่นแหะมาเป็นเมียนของนายเรือนายเรือเขก็โยนลงน้ําอีกเหมือนกันนี่แหละกล้ำพระพุทธเ จ, จ้าจังหวะเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันมันเป็นผลเป็นผลสืบเนื่องเอมันเป็นผลสืบเนื่องเพราะว่าวิญญาณทุกวิญญาณพร้อมที่จะไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมได้พร้อมที่จะตกนรกหมกไม่ได้พร้อมที่จะมาเกิดเป็นสัตว์สาลายสิงได้ พร้อมที่จะมาเกิดเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราได้เพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ไม่นิยมหรือไม่กินยอมให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เคารพของเขาแต่ข่าชาตินี้เขาตกต่ำแล้วเขาเป็นลิงข่าเป็นคนแต่ชาติหน้าข่าอาจจะตกต่ำกว่าเขาก็ได้เขาอาจจะมาเป็นคนเราอาจจะไปเป็นลิงก็ได้เนะี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเพราะพระเจ้าพระอาหาันสาวกท่านรู้อดีตอนาคตในวัตตุจตูตตปปาตาญาณ การจุติของสรพสัตทั้งหลายท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะ่าสั่งสมบุญคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาท ต, ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อเนีย้ยําแล้วย้ําอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกการคิดว่าตายแล้วสูญเราพวกเราจะไม่ทําคุณงามความดีคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเราจะไม่ทำเพราะเหตุตใยเพราะว่าตายแล้วสูญแล้วก็ไม่กลัวบาปกลัว กลัมอีกต่างหากจะทํำสิ่งไหนจะเบียดเบียนใครถ้ากฎหมายไม่ถึงแล้วก็ทําได้ทั้งนั้นกลัวต่กฎหมายตนเองไม่กลัวกฎแห่งกลัมเหมือนกันนะถ้าถ้าว่าพวกเราตายแล้วไม่ศูนย์นะกลัมมีแน่นะกลัมจะต้องตามสนองดวงวิญญาณดวงนั้นไปเกิดภพภูมิไหนกลัมจะต้องตามสนองเพราะฉนั้นให้ระวังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมแต่คุณงามความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยนะ วันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาต่อนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร